เพือเ่อนคนหนึ่งดูแลแม่ที่กำลังป่วยเป็นอนะัลไซเมอร์เธอเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็เหมือนกับว่าถูกทอดทิ้งให้ดูแลแม่คนเดียวเพราะว่าพี่สาวพี่ชายซึ่งมีอยู่ สีห้าคนก็ไม่ได้สนใจที่จะช่วยเหลือจริงจังเธออุตส่าห์ลาออกจากงานมาดูแลแม่เอาพี่น้องอภพี่พี่ก็ให้แต่ค่าใช้ใจ่ายที่พอที่จะดูแลได้แต่ว่าก็ต้อง ถ้าจะต้องการอะไรมากก็ น, นั้นก็ต้องต่อสู้นะเช่นต้องการคนงานมาช่วยดูแลบ้านาผ่อนเบาภาระของเธอนะก็ต้องเจรจาหรือว่ากดดันกันถึงท่านทะเลาะกันอยู่หลายรอบนะกว่าจะพี่ๆจะให้เงินมาเป็นค่าพี่เลี้ยงคนงาน ก็ยังไม่พอนะเพราะว่าตอนนี้อาการแม่ก็แย่ลงไปเรื่อยๆต้องมีคนอุ้มคนงานก็มาแค่ช่วงเช้ากับไม่กี่ชั่วโมงนะคือไม่ได้มาแบบอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้คนทํางานบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้คือมาสองชั่วโมงตอนเช้าแล้วมาอีกทีตอนบ่ายสองชั่วโมงแล้วก็ไปนอนที่บ้านของตัว ก็ยังไม่สามารถจะหาคนงานที่จะมาช่วยอุ้มช่วยแบกอะไรได้ไม่ใช่เพราะหายากเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะาพี่ๆไม่ส่งเงินมาให้ยังไม่อพูดถึงเรื่องการไปเยี่ยมแม่นะก็ไม่ค่อยมากันเท่าไหร่ ตัวน้องสาวคนที่ดูแลก็บางครั้งก็มีความท้อนะเคยไปคุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยเธอคงไปทำอะไรกับแม่ไว้นะคง ม, มีวิบากกรรมกันเอาไว้นะชาตินี้ก็เลยต้องมาดูแลอย่างนี้เลย ก็คือมาใช้กรรมนะที่มาดูแลแม่นี่มาใช้กรรมนะเธอฟังดูแล้วก็รู้สึกแย่นะสงสัยว่านี่เรามาใช้กรรมจริงหรือนี่เขาบอกเขาไปว่าไม่ใช่หลอกนะเ้ากลังสร้างกรรมดีนะใช้กรรมเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีทางเลือกนะเธ อ, อถ้าบอกเป็นมะเร็งพ่อใช้กรรมเนี่ยยังยัง ยังพูดได้นะหรือว่ า, าติดคุกเพราะว่าประสบุัติเหตุนะไปขับรถชนเขาตายนะโดยที่ไม่ได้เมาไมาอะไรนะไอ้แบบนี้ติดคุกนี่ก็เรื่อใช้กรรมได้เหมือนกันจะเป็นกรรมในปัจจุบันชาติหรือว่ากรรมในอดีตชาติก็แล้วแต่ แต่นี่เธอมีทางเลือกนะที่จะไม่ดูแล ก, ก็ได้แต่ันก็ลูกๆอ่ะพี่หลายคนเนะี่ยก็ไม่มาสนใจยายดีแม่เนี่ยก็ถือว่าเขาก็เขาเลือกที่จะทำอย่างนั้นและเมื่อเขาเลือกก็แสดงว่าเขาสร้างกรรมเพียงแต่ว่ามันเป็นกรรมไม่ดีนะส่วนตัวเธอนี่ก็ เลือกที่จะมาดูแลแม่นะก็ถือว่าสร้างกรรมแล้วเป็นกรรมดีคนที่บอกว่าเพื่อนเธอที่บอกว่าเนี่ยเธอการที่เธอมาดูแลแม่เนี่ยเป็นเพราะมีวิบากกรรมในอดีตชาติถ้ามองแบบนี้คิดด้วยเหตุผลแบบนี้นะก็หมายความว่าแม่ที่มาดูแลลูกเนี่ย ยอมอุ้มท้อง9เก้าเดือนแล้วก็ลูกมาแล้วก็อตะละขัตนอนไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องดูแลลูกที่ยังเล็กแล้วก็ต้องไปทำงานหาเงินนะเรียกว่าตัวเป็นเกลียวเพื่อมาให้ลูกได้มีอาหารกินให้ดูได้มีการศึกษาอย่างนี้ก็แปลว่าลูกแม่เนี่ยก็มาใช้กรรมกับลูกสิแปลว่าแม่ ก็เคยมีวิบากกรรมนะกับลูกมาในชาติที่แล้วชาตินี้แม่ก็เลยต้องมารับใช้ลูกเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมถ้าาว่าเพื่อนคนที่วานไปพูดย้อนกลับไปบอกเพื่อนที่แนะนำว่าเนี่ยเขาตัวลูกเนี่ยกลังใช้กรรมเลยต้องมาดูแลแม่ถ้าย้อนกลับไปว่าแม่ของเธอเนี่ยก็คงใช้กรรมเหมือนกันนะ ที่เกิดมาแล้วก็ต้องมาออกต้องมามาดูแลเธอซึ่งเป็นลูกเขาคงจะรับไม่ได้นะถ้าหากว่าจะบอกว่าแม่ของเขานี่นะกำลังใช้กรรมจึงต้องมาดูแลเธอ เดี๋ยวนี้ตากกบแบบนี้นี่มันมีมันแพร่หลายมากนะคือเวลาใครมีความทุกข์ยากอะไรนะี่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยกำลังใช้กรรมไม่ได้มองว่าเขากำลังสร้างกรรมดีเวลาผัวดูแลเมียที่กำลังป่วยนะป่วยนอนติดเตียงเพื่อนบ้างก็บอกว่านี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลัง กรรมเพราะคงเคยมีวิบากกรรมอะไรกับเมียมาก่อนในอดีตชาติแทนที่จะส่งเสริมแทนที่จะให้กำลังใจแทนที่จะชื่นชมก็กลับพูดในทองในทองที่ซ้ำเติมเขาเพราะว่าผัวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเมียไปก็ได้แต่เขาก็ไม่ทิ้งเขาก็ดูแล ัต้องแยกกันให้ดีนะระหว่างเรื่องการใช้กรรมกับการสร้างกรรมเนี่ยอย่ไปคิดว่าเอละพอเอะอะไรพอเจ อ, อ, พ, อ, พ, อพอมีความทุกข์ยากขึ้นมานั่นแสดงว่ากาลังใช้กรรมเวลาเด็กนะทุ่มเทเรียนหนังสือนะเรียกว่าทุ่มเทด้วยความเหนื่อยยากในการที่จะเรียนหนังสือนังหาเพืเ่อที่สอบให้ได้เนี่ยเราเรียกว่าใช้กรรมหรือว่า ที่จริงเขากำลังสร้างกรรมดีนะไม่ใช่เป็นการใช้หนี้นะแต่เป็นการกําลังลงทุนนะถ้าพูดแบบภาษาแบบการค้าการตลาดเขาไม่ได้ใช้หนี้นะเขากําลังสร้างเขากําลังลงทุนนะเวลาลงทุนก็ต้องเหนื่อยนะแต่ว่าเมื่อมันไปได้ก็จะเกิดผลตอบแทน ระหว่างการใช้หนี้กับการลงทุนนะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในอนาคตเนี่ยมันต่างกันมากเลยในทางเดียวกันเรื่องการใช้กรรมกับการสร้างกรรมเนี่ยมันก็ต่างกันก็นกบอกเขาว่าเนี่ยเขากาลังสร้างกรรมดีนะกรรมที่เขาทำเนี่ยมันก็จะส่งผลในภายภาคหน้าเขาไม่ใช่กำลังใช้หนี้นะเขากำลังลงทุนนะอันนี้พูดให้ เป็นเป็นภาพเพืเ่อได้รู้ว่ามันก็จะเกิดผลกลับคืนมานะเป็นผลแห่งความดีเป็นผลแห่งความควา ม, ความเพียรพยายามเพื่อนคนที่ว่านี่ก็ยังพูดได้ซ้ําำนะว่าเนี่ยพี่ที่เขาไม่ได้มาดูแลแม่เนี่ยเขาไม่ต้องมาทุกข์ยากเนี่ยเขากำลังเขามีบุญนะนะเขามีบุญนะพูด ขนาด น, นี้เลยนะว่าเนี่ยลูกๆที่ไม่ใส่ใจแม่เนี่ยแล้วก็อยู่สบายกินสบายเนี่ยเขากำลังเขามีบุญนะนะก็คือเขาไม่ได้ใช้กรรมแต่ น, นี้มันคิดไปถึงขนาดนะั้นก็คือการดูแลแม่คือการใช้กรรมนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะ คนที่ดูแลแม่เขากาลังใช้กรรมส่วนคนที่ไม่ดูแลแม่กาลังสุขสบายนี่เขากาลังเรียกเขามีบุญเขากาลังสวยผลบุญแนะห่งความดีที่ทำในดิตาตนะอันนี้ต้องเรียกเป็นมิชาทิฏฐิได้เลยนะเพราะว่ามันกาลังกาลังส่งเสริมความอากตัญญนะูคนอกตัญญูว่า ก, ก็มองว่าเขากาลัง กำลังได้รับผลพวงแห่งความดีนะที่ทำไว้าตรากาแบบนี้ถ้าเรามองไปเรื่อยๆนี่มันน่ากลัวนะอย่างที่บอกนะถ้าลูกดูแลแม่เนี่ยลูกใช้กรรมก็แสดงว่าลูกกาลังใช้กรรมเพราะมีวิบากกรรมในอดีท่านแม่พ่อแม่ที่ทุ่มเทดูแลลูกนะเนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อดูแลลูกนะี่ก็แปลว่าแม่คนนั้นหรือแม่ทั้งหลาย ก็เคยมีวิบากกรรมกับไอคนที่เป็นลูกในชาตินี้ชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้กรรมดูแลเขาสิ่งที่เราความดีนะมันก็กลายเป็นถูกเหมือนเฉยไปแล้วเพราะาการทำความดีทุกอย่างกลายเป็นถูกมองว่าคือการใช้กรรมคือการใช้นี้ควาคิดนะแบบนี้นี่มันไม่ส่งเสริมการทำความดีเลยนะ แต่ว่ามันมีนัยยะที่ซ้นเติมคนที่ทำความดีนะว่าสะสมแล้วนะสมควรแล้วเพราะว่าชาติที่แล้วเธอหรือมึงเนี่ยเคยทำกรรมไม่ดีกันมาก่อนนะก็เลยต้องมาใช้หนี้คิดแบบนี้มันไม่ใช่คิดแบบพุดเลยนะ ก็เหมือนกับพูดว่าเนี่ยพระเบสันดอร์นที่ต้องมาตกลักกรกรมลำบากในป่าถูกคนชาวบ้านขับไล่ต้องมาตกลักกรรมในป่านี่เป็นเพราะว่าเคยทำกรรมไม่ดีมาก่อ น, นชาตนี้ต้องมาใช้กรรมต้องมาอยู่อย่างลำบากกันดารในป่ากับรูปเมียแต่ที่จริงเราก็ รู้ใช่ไหมว่านีก็คือการบำเพ็ญบารมีอย่างห น, นึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีในชาติสุดท้ายนะก่อนที่จะก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในชาติในกัปนี้ใ น, ในสถเดการที่ฤาษีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เ น, เ, นเนี่ยเมื่อเห็น แม่เสือกำลังจะกินลูกเพราะว่ามันหิวมากนะพระโพธิสัตว์อยากจะช่วยชีวิตของลูกเสื อ, อไว้แนละ้วก็เลยโดดลงไปที่หน้าผาเพื่อให้ให้แม่เสือกินท่านแทนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นการใช้กรรมนะชาติที่แล้วนี่คงไปทำอะไรไม่ดีกับไอ้ลูกเสือตัวนี้นะ น, นี่ก็เลยต้องมาเอาชีวิตเข้าแลกใช้กรรมไม่ใช่ไม่ใช่ใช้กรรมนะั่นคือการกำลังบำเพ็ญบารมีเรียกปรมัทบารมีเลยนะฐานฐานปรมัทบารมีคือการสละชีวิตนะไม่ใช่แค่สละทรัพย์ไม่ใช่แค่สล ะ, ะวัยวะ กชแต่งกรรมนี่ถ้าหากว่าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยแทนที่มันจะส่งเสริมกรรมดีมันกลายเป็นส่งเสริมกรรมชั่วไปหรือว่าเป็นการยับยั้งไม่ให้ทําความดีแต่จุดม่ายของกฎแต่งกรรมที่พระเจ้าสอนสอนเพื่อให้ทําความดีถ้าเราถ้าเราเชื่อกฎแต่งกรรมเนี่ย แล้วก็กำลังทำความชั่วหรือว่าเพิกเฉยต่อการทำความดีเนี่ยต้องให้รู้ว่าเนี่ยกำลังกำลังปฏิบัติผิดละรวมทั้งมีความเข้าใจที่ผิดพลาดด้วยเดีย๋ยวนี้ก็ไปกันใหญ่นะหมอพยาบาลเนยนะ ไม่กล้าไปช่วยผู้ป่วยและสุดท้ายไม่กล้าช่วยให้เขามีชีวิตขึ้นมาหรือว่าเจอผู้ป่วยหนักก็ไม่กล้าจะช่วยให้เขามีชีวิตใครจะทำก็ทาไปแต่ฉันไม่ไม่ทาเพราะอะไรเพราะกลัวว่าถ้าช่วยให้เขารอดตายเนี่ยเจ้ากัรมเนเวของคนนั้นเนี่ย จะมาเล่นงานเขาแทนนะเพราะว่าที่เขากําลังจะตายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเพราะเจ็บป่วยหรือเพราะอุบัติเหตุเนี่ยนั่นเป็นเพราะเขากําลังโดนเจ้ากรรมนายเวรนะเล่นงานนะถ้าไปช่วยเขาเจ้ากรรมนายเวรก็จะโกรธแล้วก็มากลับมาเล่นงานเราแทน เจ้า ก, กรรมยที่เขาพูดนี่ดูมัน ค, คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นเป็นผีสางเป็นมารร้ายเป็นอสูรหรือเป็นพลังมืดอะไรสักอย่างซึ่งมันก็ไม่มีในพุทธศาสนานะมันมีแต่ว่าผูกใจเจ็บกันในชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยมามา เป็นศัตรูกันเออถ้าบอกว่าเจ้านายคนนี้เนี่ยที่กั่นแกล้งลูกน้องเหมือนเพราะว่ามันเคยเป็นเจ้ากรรมเคยมีเวรกรรมกันในเดชชาตินียังพอฟังได้นะคือมันมีมันมีคนตัวเป็นๆ็ น, นที่มามากระทำนะหรือว่ามากลั่นแกล้งกันแต่อะไรที่มันเหมือนกับพลังมืดนะที่มันจะ ส่งถ่ายถึงกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะก็เพราะเชื่อกฎแห่งกรรมแต่กดแทงกรรมจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าเนี่ยคนที่ใกล้ตายเนี่ย ไม่่าเพราะป่วยรูปปุัติเหตุก็ตามเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมอย่างเดียวหรือเป็นเพราะกรรมเท่านั้นพรนะเจ้าก็ตรัสไว้ว่าคนเราป่วยด้วยหลายสายเหตุนะเป็นเพราะลมเป็นเพราะดีเป็นเพราะเสมามันพร่องนะหรือพูดง่ายคือว่าดินน้ําลมไฟมันมันไม่ไม่ได้สมดุลเป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศ เป็นเพราะการปฏิบัติตัวหรือเป็นเพราะวิบากกรรมวิบากกรรมก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถึงแม้เขาจะมีป่วยเพราะวิบากกรรมป่วยหนักหรือว่าประสบ ป, ปฏิเหตุ แล้วเรารูได้ยังไงว่าเขาจะต้องกรรมของเขาเนี่ยมันจะทําให้เขาถึงตายบางทีกรรมที่เขาทำเนี่ยมันแค่เพียงแค่ทําให้เขาเนี่ยเจ็บหนักหรือว่าพิการเท่านั้นในเมื่อหมอพยาบาลก็ไม่รู้ว่ากรรมที่เขาทําเนี่ยนะมันจะส่งผลให้เขาตายหรือเปล่า การปล่อยเขาตายเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการไปซ้ําเติมเขาแล้วก็เการในการที่ไปช่วยเขาให้เขารอดตายเนี่ยก็ยเป็นเพราะแล้วที่เขารอดตายก็ยเพราะกรรมเขายังไม่ถึงที่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเขายังถึงที่ตายหรือ ย, ยังเนี่ย ก็สมควรที่เราไปช่วยเขาเพราะข้อายังไม่ถึงที่ตายก็ได้และการที่เราไปช่วยเขาก็เป็นส่วนเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เขารอดตายได้แต่ถึงแม้เขาจะถึงที่ตายก็สมควรที่เราก็จะช่วยเขาเพราะว่าไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะมันก็ไม่เกิดผลเสียอะไรกับตัวเรา นอกจากเหนื่อยแค่นั้นเองในความคิดว่าเนี่ยคนที่ป่วยหนักหรือว่าใกล้ตายเนี่ยนะเขาก็ทำกรรมไม่ดีเอาไว้แล้วถ้าไปช่วยเขาเนี่ยคนช่วยก็จะรับกรรมเองเนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้กันทั้งประเทศนี่นะโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะ เพราะว่าเวลาเจอคนใกล้คนตกน้ำกำลังจะจมน้ำตายหรือว่าเจอคนประสบอุบัติเหตุข้างถนนรถชนกันนะนอนนอนทุกข์ทรมานหรือว่าเจอได้ยินว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเพราะว่ากลังจะถูกข่มขืนคนจะทำยังไงคนก็เดินผ่านไปไม่สนใจเพราะถือว่ามึงทำกรรมไว้นะ ก็ต้องรับกรรมไปคืนกูไปช่วยมึงเดี๋ยวกูก็ซวยนี่มันจะเปิดเกิดความเกิดความคิดแบบนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีใครช่วยใครถ้าเมืองไทยทั้งประเทศเป็นแบบนี้นี่มันน่าอยู่หรือว่าแล้วสงฆ์เลือกเป็นเมืองพุทธไหมถ้าเมืองพุทธเป็นแบบนี้นี่ คนก็คงไปนับถือาศาสนาอื่นดีกว่านะเพราะว่านับถือพูดแล้วนี้ใจคอโหดร้ายไม่มีความรู้สึกนะร้อนเนื้อร้อนใจนะในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเลยแต่ก่อนนี่มันก็เป็น เป็นเรื่องว่ามีกฎแห่กรรมที่สอนสอนกันที่กําลังแพร่ระบาดกันเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นลักษณะว่าเป็นการยับยัง้งหรือว่าไม่สับสนนให้ไปช่วยเหลือคนอื่นที่กําลังจะตายซึ่งคนนั้นอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่รู้จักมรรคเกียรติอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ไอ้ความเชื่ออันนี้มันกําลังระบาดมาถึงขั้นว่า การไปดูแลแม่นี่ก็เป็นการใช้กรรมอย่างหนึ่งนะและการที่ไม่ดูแลแม่ก็คือเป็นการเสวยผลบุญคนคนที่ดูแลแม่คือคนที่เคยทำบาปมาไอ้ส่วนคนที่ไม่ดูแลแม่ก็คือคนที่มัน เ, เคย เ, เคยทำกรรมดีมาก่อนนะชาตินี้ก็เลย สบายนะเป็นการสวยผลบุญอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะจากการที่ส่งเสริมไม่ให้ไม่ให้ให่ดีกับคนที่เราไม่รู้จักที่กำลังทุกข์ยากตอนนี้มันกาลังเหมือนกับว่าส่งเสริมให้เพิกเฉย นะคนใกล้ตัวคนที่มีพักคุณก็คือพ่อแม่นะทําให้คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ดูสสบายใจเออฉันมีบุญนะฉันนะคงเคยทํากรรมดีมานะก็เลยไม่ต้องเหนื่อยยากนะไม่ต้องดูแลแม่จริงมันเขาเลือกได้นะเขาจะดูแลหรือไม่ดูแลนะแล้วถ้าเขาเลือกไม่ดูแลแม่กนะ็คือเทขากําลัง ไม่ใช่สวยผลบุญนะเขากำลังสร้างกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้คนที่นับถือพุทธศาสนานเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเนี่ยก็พอแบบนี้เดี๋ยวไปคิดว่าคนที่นับถือพุทธจะจะดีเสมอไปนะก็เหมือนกับคนนับถือศาสนานเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป mm. มีศาสนาแต่ไม่ดีก็มีเยอะนะเพราะแม้ก็แม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยป่วยก็ไม่ดูแลอย่างนี้มันจะดีได้อย่างไรแล้วคนที่ทําเช่นนี้ก็มีเหตุผลนะเขาก็เอาความเชื่อพุทธศาสนานี่แหละมามารองรับความไม่ดีของเขาแต่พูดว่าความเชื่อแบบนี้ ส, งส่งเสริมให้คนนะไม่ทําดี และมีความสุขที่จะัะเลยการทำความดีก็ได้หรือว่าส่งเสริมการทำชั่วไปเลยก็ได้อันนี้น่ากลัวมากทำนมไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะว่าเออคนไทยนับถือผู้ันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ถ้านับถือผู้แบบนี้อย่าอย่านับถือดีกว่าไม่มีศาสนาดีกว่าถราคนไม่มีศาสนานหลายคนเขาก็ดูแลนะดูแลผู้ป่วยอย่าว่าแต่พ่อแม่เลย คนตกทุกข์ได้ยาคนอย่างเช่นหลายคนก็ไปช่วยพวกโรฮิงญาที่กําลังรอยคออยู่กลางทะเลหลายคนก็ไม่มีศาสนานะไม่ไม่ใช่พุทธไม่ใช่คริสแต่เขาเห็นความเห็นคนทุกอย่ากไหมนะเาก็ไปช่วยบางคนไม่มีศาสนาบางทีก็ดีกว่าคนมีศาสนานะ พูดแปลงนี้เนี่ยคนเขไปไม่ค่อเข้าใจแต่ถ้าลงรายละเอียดจริงก็จะเห็นเลยนะว่าถ้ามีาศาสนาแล้วก็ในาาศาสนาพูดก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจเพื่อศาสนาผิดมันก็สามารถจะทำสิ่งที่ไม่น่ารักหรือสิ่งที่น่ารังเกียจได้เวลาถึงขั้นทำชั่วไปเลยก็ได้ เวลาใครบอกเขามีศาสนานี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปหมอมาเขานะเนขาดีโดยตโนมัตินะต้องดูว่าเขาทำอย่างไรด้วยบางทีเชื่อดีมันก็ต่อแต่แม่ไม่ทำก็มีนะเมื่อพูดถึงว่าเชื่อผิดแล้วเนี่ยมันก็โอกาสที่ทำผิดก็มากเอาละชาิพูดเท่ น, นี้อากาศ